กจันดับที่วัดดอยกิเลสใหญ่น้อยนั้นก็ปล่อยสุลับดับลงไม่ว่าตัณหาสวัได้ได้ปลดปลงอวิชชาพ้าใจให้ลุ่มลงแตกแหลกเป็นพงไม่เหลือเชื้อเหลือเศษ จ, จึงเกิดความสลดสั่งเว มันเป็นเหตุเกิดแก่เจ็บตายสังเวทเหตุเป็นมาของตนที่เวียนวนทุกทนมุนวายสังเวทพบชาติมากมายทุกท่วมใจไม่เคยปล่อยวาว ตารวงรินโยดลงนึกถึงพระองค์องค์พระพุทธเจ้าจับใจเหล่าสาวกทั้งหลายที่พ้นทุกไปได้ห่างหายไม่คืนกลับหลงังไม่รอนเร็ าบาปนี้เราเพียรจนหลุดพ้นไม่วนเวียนวายจึงเกิดตื่นตั้นใจให้น้ำตาร่วงมาพร้อมกันหนึ่งร่วงเพราะสังเวชตนนานสองร่วงพลันเพราะพระธรรมแห่งพุทธองค์ สัจจันธ์รรมนั้นช่วยปลดลงให้พ้นวงเกิดแก่เจ็บตาย เมื่อการประพฤติเพศพรหมจันทร์แห่งตนได้สําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วจากนั้นท่านได้จำพรรษาในที่ต่างๆเช่นวัดป่าบ้านหนองผือวัดป่าบ้านห้วยสายเป็นต้นระยะนี้เองบรรดาพระเนรต่างพากันติดตามท่านไปด้วยอย่างมากมายเพราะเมื่อขาดพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วหมู่เพื่อนก็ยึดท่านเป็นที่พึ่งเนื่องจากเคยได้ยินท่านพระอาจารย์มั่นประรบถึงท่านอยู่เรื่องหนึ่งว่าท่านมหาบัว ฉลาดทั้งภายนอกภายในต่อไปจะเป็นที่พึ่งแก่หมู่คณะได้มากจนกระทั่งถึงปีพศ2499ด้วยเหตุที่ท่านเฝ้ารำลึกถึงพระคุณของบุพการีท่านจึงย้อนกลับมาที่บ้านตาดอีกครั้งหนึ่ง